أ ك د خ فيها ل ت ج ز َ كل نفس بما تسعى, تسعى نك عنها فلا يصدنك عنها. ما لا يؤمن بها وتبعها و ف َ ر ه ا وما تلك بيعني كيام و س ى و َ ل َ ه ي ع ص َ ي َ أ ت َ و َ ك َ عَلَيْهَا و َ أ َ ه ش ُ بِهَا عَلَى غَنَمِ وَلِيَفِيهَا م َ ر ب ُ أُخْرَى بسم الله الرحمن الرحيم إ ์อัลลอฮ์อัลลอ ل ์อัลลอ ن ์อัลลอฮ์อ و ลลอฮ์อั ل ลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัล ه อฮ์อัลลอฮ์อั ا ل ل ฮ์อั م ลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อั ا ลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อั د ลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ ا ل l a h u um m ا a b i ن ا و ب b a َ n a wa و َ ا a amsayna wa bika n a h i y ن wa b أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا ي د ر معصمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم รดีดุ้บ ا, نا, إ, أ ل ะฮิ ا ับบะวั د ا อิสลา ا ดี م ่าวับิมุฮั ل ม و ดอิลลั و โวล ن อัลลอฮุมอีนี ك าอู ب ุบิคั ب ิน ل กส์ล์วัสู ا ิลคิบริรับบะอ ا ل ูบุบิ ل ับินอาดับิมฟิ ب นารีวพี่น้องที่ร่วมนมาศุปทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลา เราขอบคุณอัลลอฮ์บฮา ا ن ه และุ์ตาลาที่อัลลอ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้และให้เราได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนอันประเสริฐคือเดือนรอมาดอนขอบคุณอัลลอ์ที่เราได้ตื่นมาทานอาหารซะฮุรแล้วก็ได้มานมารร่วมกันและมาศึกษาอัลกุรอานนะครับ วันนี้เราทบทวนกุรอานมาถึงสูรตัตหาสุรตัตหาเนสุรที่ยีสบเพราะว่าในคัมภีร์กุรอานมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสูรัหอสบรัอลฮัมดุลิลละฉะนั้นใครที่ทบทวนอัลกุรอานหาความรู้จากอัลกุรอานนะครับ คนนั้นจะไม่หลงทางอย่างแน่นอนนะครับเพราะคัดล์กุอ่านนั้นอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาในเดือนอมาดอนเดือนอมาดอนเดือนนี้แหละมาพักไว้ที่ใบตุน่นไซลยะชื่อสถานที่มชันฟ้าเรียกว่าใบาตุน่นไหลยะนี่อัลลอฮ์เล่าเองนะครับนบี m u ั a m m a d เล่าให้เราฟังเอง จากใบตุ้มลอยจ้าเนี่ยอัลลอฮ์ให้ท่านจีบรีนเนี่ยนำเอาคุรานเนี่ยจากลาฮุลมาฟูสมาพักที่ใบตุ้มลอยจ้าจากใบตุ้มลอยจ้าเนี่ยประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเป็นระยะระยะมีปัญหาทีหนึ่งก็มาแก้ปัญหาคุรานมาแก้ปัญหาเขาเรียก ม, มาปลดล็อกทำของหนักๆให้เป็นของเบาๆ เช่นยกตัวอย่างง่ายๆสมัยนบียังมีชีวิตอยู่นั่นคนอาหรับเนี่ยและคนยิวคนนาซรอคนยโฮดีเนี่ย อ, อึดอัดพอจะมีภรรยามีประจําเดือนป ร, ประเพณีปฏิบัติของชาวบ้านก็คือสามีออกไปอยู่นอกบ้านอยู่ในบ้านหลังคาเดียวกันไม่ได้ทานอาหารมออข้าวเดียวกันไม่ได้ อยู่ในรังคาเดียวกันไม่ได้นอนอยู่บนที่นอนเดียวกันไม่ได้กับภรรยากับสามีต้องไปอยู่ข้างนอกพอภรรยาหมดประจำเดือนสามีถึงจะเข้าบ้านได้ <c oughs> ก็ไปถามเรื่องนี้กับนบีมุฮัมมัดสลตนมุสลิมพอถามพับนบีก็ตอบไม่ได้ต้องรอวาฮี <c oughs> รอวาฮีจากอัลลอ กูอ่านก็ถูกประทานลงมาเช่นยัสอาลูนักอาณิลมาฮิดบ e พวกเขาถามท่านเกี่ยวกับเลือดประจำเดือนว่ามันเป็นยังไงเพราะความเข้าใจของคนวันนั้นมันลำบากยัส e อาลูนักอาณิลมาฮิดเออเล่าเองว่ามีคนมาถามท่านนาบีมุฮัมมัดเกี่ยวกับเรื่องเลือดประจำเดือนก็ละกุลมุฮัมมัดเออจงตอบ ูวาอาาเลือดประจำเดือนนั่นเป็นสิ่งสกปรกโสมมไม่สะอาดฟาตลุนนิาอะฟิลมาฮีท่านนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาขณะที่นางมีประจำเดือนนี่กุณาลงมาอย่างนี้ลงมาอะไรนะมาแก้ปัญหามาปลดล็อก ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้อัลฮัมดุลิลละหูชายอยู่ในบ้านได้กินข้าวหม้อเดียวกันก็ได้จับมือถือแขนภรรยาก็ได้คุยกันก็ได้แต่อย่างเดียวที่อัลลอฮ์ห้ามก็คือร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาไม่ได้ท่านหากใครไปร่วมหลับนอนกับภรรยาที่ขณะนางมีประจำเดือนนะตัวภรรยาเองจะเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกแล้วก็รอตายรักษาก็ไม่หาย ฉ่นั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมาตราผิดคุรานคือชีวิตจิตใจของเราเองฉะนั้นคนที่ดูถูกกุรานเยียดยาบัลกุรานเขาไม่มีโอกาสที่จะอยู่ในหนทางหรือทางนําที่ถูกต้องได้และกุรานเอง ก, ก็ชี้นาเราให้คิดถึงโลกอาคีรักุรานเนี่ยเป็นข้อเตือนใจเตือนให้นึกถึงชีวิตหลังตายเตือนให้นึกถึงชีวิตตายแล้วต้องฟื้น ฟื้นแล้วต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาลาให้คิดถึงโลกอาคเรอเยอะๆคำพี่อกุรอานเตือนเราเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่มีหนังสือเล่มใดในโลกนี้เราที่เขียนให้นึกถึงวันวันเกียร์มาเนี่ยไม่มีนอกจากคำพี่อุกรุรอานเท่านั้นแหละที่มาจากอัลลอฮ์สอนให้นึกถึงชีวิตข้างหน้าโลกอาคีรอเราไม่จะคนโลกนี้โลกเดียวนะพอตายแล้วจบไม่ใช่ เราจะต้องฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะต้องไปยืน อ, อยู่ต่อหน้าอาลัลลอฮฺหลังจากตายไปแล้วต้องผ่านคดีอีกเจ็ดแปดดานใหญ่ๆอย่าคิดว่าตายแล้วจบนะตายแล้วต้องผ่านคดีผ่านอะไรนะก็จะว่าเรื่องใหญ่ๆถูกทดสอบจากอาลัลลอฮฺอย่างน้อยเจดแปดรายการนะครับ ขอบคุณนล น, นาทบทวนุอ่านมาถึงสุรปห์วันนี้มาถึงอายาที่13ขอทบทวนอายาที่12บนิดหนึ่งอายาที่12คือเป็นอย่างนี้นบีมูซาเนี่นะเดินทางจากเมืองมัดยันกลับไปประเทศอียิปต์หลังจากที่ได้หนีฟาโรประมาณสิบปี เพราะว่ามูซาเนี่ยฆ่าคนตายคนหนึ่งเป็นคนชาวอียิปต์เพราะมูซาเนี่ยเป็นเชื้อสายบานีอิสรอเอลพอฆ่าเสร็จแล้วฟาโรต้องการที่จะจับตัวมูซาก็เลยต้องหนีออกจากประเทศอียิปตต้องไปอยู่ที่เมืองมัธยันไปอยู่ที่นั่นไปเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะให้กับนบีชว่วย แล้วก็ได้แต่งงานกับลูกสาวของนบีชว่วยคนหนึงหลังจากแยกกันประมาณสิปีก็คิดถึงแม่แล้วก็คิดถึงใครนะพี่สาวที่จากกันมานานถึงสิปีหลังจากนิกาเสร็จแล้วแต่งงานเสร็จแล้วก็เดินทางกลับเพื่อจะไปเยี่ยมใครนะเยี่ยมแม่เยี่ยมใครอีกพี่สาวการเยี่ยมเนี่ยเป็นของดีนะระหว่างเดินทางตลับประเทศ อียิปต์เนี่ยวันนั้นน่ะเดินหลงทางเพราะว่าไม่กล้าเดินผ่านประเทศชามเพราะอันตรายเดินในเวลากลางคืนระดูหนาวด้วยภรรยากําลังตั้งครร น, น่น่าคิดมากนะกําลังตั้งครรภแล้วก็เดินหลงทางเพราะทางที่จะเดินผ่านประเทศชามเนี่ยอันตรายก็เดินหลงทางพอเลินหลงทางเสร็จแล้วก็ หนาวอ่ะพอหนาวุนแล้วก็ต้องการไฟก็เดินไปที่ไปหาไฟให้ภรรยานั่งอยู่ในทัพซิอธิบายไปคนสามคนไปกันสามคน น, มค น, นะครับไปหาไฟเแล้วพอใกล้จะ ไ, ไปถึงไฟอัลลอฮจะฮ์ลาได้พูดกับนบีมูซาตรงๆเลยเป็นการประกาศแต่งตั้งให้มูซาเป็นนบี อัลลกล่าวในอายะห์ที่สิบสองว่าไงนะอินนีอานารบุกะฟัละนาเลิกะอินนักบิลวะดิลมุกัดดซิตัวอินนีอานารบุแท้จริงฉันคือพระผู้อภิบาลของท่านนี่อัลลอฮพูดเองนะอัลลอฮตรัสเองดังนั้นจงถอดรองเท้าทั้งสอง ของท่านออกอินนากบิลวาดิลมุกดาซิตัวแท้จริงมูซาเนี่ยอยู่ที่หุบเขาอันมีความจำเริญซึ่งมีชื่อว่าปัวปัวชื่อสถานที่ชื่อภูเขาอันทรงเกียรติชื่อภูเขาที่มีความจำเริญสถานที่ที่มีความจำเริญเนี่ย ท่านอิหมามกุตตูบีเป็นนักอธิบายฮะดีสอธิบายว่ามีอยู่4ีแห่งสถานที่ที่มีความจำเริญมากบนโลกใบใบนี้นะมีอยู่สีแห่งหนึ่งมัสยิดมัสยิดไบตุลลอห์ทมักกานั่นเป็นสถานที่ที่ได น, นะที่จำเริญสองมัสยิดอัลอักซอ ยัฮูดีคุมไปเรียบร้อยแล้วอันที่สามมัสยิดนาบ่าวีตอนนี้มุสลิมยังคุมอยู่อุมมาห์นาบีมุฮัมมัดเนี่ยยังคุมอยู่สันพี่น้องที่ไปทําอุ้มร้อนหรือไปทำพาร์ทเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมนะครับสองมัสยิดนี้มัสยิดไบตุลลอฮ์กับมัสยิดนาบาวีนมาวที่ไบตุลลอฮ์เนี่ยได้ผลบุญเท่าไหร่นะแสนเท่า แสนหนึ่งนะเยอะนะไปทำความผิดก็แสนบาปเหมือนกันนะแล้วก็ไปอยู่ที่มดีนเนี่ยผลบุญนำมาที่นั่นนะวัตตูหนึ่งเท่ากับพันเท่าที่มัสยิดอัลอักซอเนี่ยห้าร้อยเท่านะครับตัวล่วมกสถานที่ที่มีบริกัรมีอยู่4ีแห่งหนึ่งบตุลลอฮ์สองมัสยิดอักอาซอสมัสยิดนบวี ซวัดดีตัวเนี่ยที่น บ, บีมูซาไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สะอาดบริสุทธิ์เลยสั่งให้ถอดรองเท้าแค่นั้นเข้ามัสยิดใบตุลลอตต้องถอดรองเท้านี่เข้าบรรามก็ต้องถอดเหมือนกันเข้ามัสยิดนาบะวีก็ต้องถอดนะมัสยิด อ, อัลอาอุอก็ถอดแล้วก็วาดีตัวก็ต้องถอดรองเท้าสายเุที่ถอด ที่อัลลอฮ์สั่งให้นบีมูซาถอดรองเท้าเพราะว่ารองเท้าที่นบีมูซาใส่นั้นทํามาจากหนังลาไม่ได้ฟอกด้วยใส่ใส่รองเท้าศัยรองเท้าเป็นทำมาจากหนังลาเลยให้ถอดรองเท้าไปแต่มีฮะดีสหนึ่งนะครับในตับซิดอิบนะกะซิดอธิบายบอกว่าวันหนึ่งท่านนบีเนี่ย เห็นท่านบาชิดบินคอซ้อซ้อจชื่อบ้างนะบาเชิดชื่อบาชิดบินคอซอซเดินเดินอยู่ในสุสานอยู่ในกูโบและก็ใส่รองเท้าท่านอบีก็บอกว่าคุซ้อบาชิดบินคุซอซเอ๋ยให้ถอดรองเท้าอินอิดากุนต้ฟิมิสลิฮะดะลมักานฟัคละนัไลกะ ถ้าท่านอยู่ในสถานที่อย่างนี้เนี่ยให้ถอดรองเทา้าก็มีทัศนคบางอุลมะแนะนำว่าเข้ากูโบเนี่ยให้ถอดรองเทา้านะก็รับรู้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะทำได้ไม่ได้ก็เรื่องหนึ่งนะนบีบอกกับใครนะท่านบาชิดบินคอซซว่าให้ถอดรองเทา้าในเวลาเข้าสุสานตกลงว่าสถานที่ที่มีความจำเริญก็มีอยู่สี่แห่งนะเข้ามสัสยิด ต้องถอดรองเท้านะครับทั้งาสามมัสยิดนะมสัสยิดนาบวีมสัมสยิดที่มักกะมัสยิดอะไะ อ, อัลอาคซอแล้วก็วาดีตัาเราคงไม่มีโอกาสได้ไปตรงนั้นนะนะครับเอาวัานนี้มาดูอายะที่สิบสามวะาอนักตาร์ตุกะฟัสตามิอัลิีมายูฮา ว่านาขตรุคฟังเสียงลิมายูฮานี่ Allah บอกกับนบีนะ Allah บอกกับนบีมูซ่า عليه السلام บอกว่าไงนะนาขตรและฉันได้เลือกท่านนี่ไงแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วฉันได้เลือกท่าน ตรวลงว่านาบีมซาเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีตอนเวลากลางคืนหน้าหนาวภรรยากำลังท้องอยู่รออยู่หลังจากเห็นไฟที่ต้นไม้พอเข้าไปนะครับล้วก็ได้ยินเสียงของอัลลอ์ทันแต่งตั้งท่านให้ทำอะไรเป็นนบีนบีไม่ได้ใส่ตรงนี้แต่เป็นที่รู้กันฟะอานักตัรตุกะฉัน ได้เลือกท่านให้เป็นนบีอัลลอฮฺอักบาร์ยิ่งใหญ่เหลือเกินคนที่ถูกเลือกให้เป็นนบีเนี่ยต้องเป็นคนดีนะคนเรวๆคนเล็วก็คือใจโสโปรกอลัลลอฮ์ไม่เลือกแต่นับนบีมุฮัมมัดเป็นคนดีใจสะอาดระหว่างนาบีมูซากับฮารูนสองคนเนี่เป็นนบีในสมัยเดียวกันสองคนเนี่ยนะครับอลัลลอฮ์เลือกมูซา แต่ให้เลือกฮารูนเป็นที่พึ่งเป็นนั้นนะเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ช่วยทําไมเลือกมูซาเพราะมูซาใจสะอาดกว่านะครับในตัฟซิดอธิบายอย่างนั้นนะเราไม่เคยตําหนิใครไม่ว่าใครนะครับส่วนฮารูนนั้นพูดคล่องกว่าแต่อลัลลอฮฺไม่เลือกเลือกอลัลลอฮ์มองคนที่หัวใจการวันนี้ก็เหมือนกันที่นั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยจะเป็นกี่คนเป็นร้อยกี่พันก็ตาม อัลลอฮ์ไม่ได้มองคนที่เส <Why> ื้อผ้าอัลลอฮ์ไม่ได้มองคนที่ทรัพย์สมบัติใครมีเงินมากเงินน้อยใครมาจากตระกูลดังตระกูลดีตระกูลเด่นอัลลอฮ์ไม่มองอัลลอฮ์มองแค่สองอย่างหนึ่งหัวใจของเขาสะอาดไหมคําว่าสะอาดหมายควาว่ารักอัลลอฮ์ไหมยึดอัลลอฮ์องเดียวไหมไม่มีชิริกใช่ไหมยืนยันในอัลลอฮ์องเดียวแล้วก็ทําอ่านทํางานที่ศอัลธาอัลลอฮ์มองตรงนั้น นะครับว่านักตรุกและฉันได้เลือกท่านนบีมูซาให้เป็นนบีเพราะฉะนั้นฟัสตาเมยมูซาเอ๋ยจงตั้งใจฟังตรงจงตั้งใจฟังลีมายู่หาที่จะถูกวะฮีแก่ท่านณบัดนี้ตั้งใจฟังอัลลอบันี้ก็การแต่งตั้งมูซา ให้เป็นนบีแล้วก็สั่งให้ตั้งใจฟังจากอญญาย่านี้อาลมะฮฺนำมาอธิบายต่อว่าคนที่ตั้งใจฟังกุรานหรือว่ามารยาทของคนที่จะตั้งใจฟังกุรานเรียกในภาษาอาหรับอาดาบกุรานสุนเนกอาดับมารยาทของคนฟังกุรานต้องมีสามข้อ คนที่จะฟังกุรานแล้วอลัลลอฮฺจะเตาฟีกฮิดายักษ์ให้เขาได้ทางนำเนี่ยต้องมีมารยาทสามข้อนะข้อที่หนึ่งสั่งแบบนบีอลัลลอฮฺสั่งนบีมูซาแบบไหนสั่งเราเหมือนกันถ้าตั้งใจจะฟังคุรานในี่ยทางนี้ข้อที่หนึ่งให้ลดสายตาให้มองสายตาเนะี่ยให้ต่ําลง อา้าท่านมาตเนี่ยท่านมาตท่านมาตของเรานะ่ยท่าไหนา ย, ยืนตามองที่ไหนตามองที่สูดจุดนี่นะเวลาฟังกุรานก็เหมือนกันนั่งยังไงนะนั่งแล้วก็ตามองที่ อ, อ๋อหลอมต่ำา่ ำ, ำแสดงถึงให้เกียรติเคารพทอมเนื้อทอมตัวนะครับเมื่อเวลเราฟังกุรานข้อที่หนึ่งมอง มองต่ำๆอย่ามองอยา่าชะเง้อให้มองตามๆนะครับข้อที่สองตั้งใจฟังอัลกุรอานแล้วก็สนใจด้วยนะว่าเขาอ่านอะไรอยู่คนเก่งตัญวิทย์ก็นั่งเฝ้าตัญยวิทอ่านตัวเสน ช, ชัดชัดไหมตัวกอบชัดไหมตัวอินชัดไหมคนที่เข้าใจภาษาอับเปอร์ความหมายตรงนี้มันดีอัะละคนสิบคนนี่ฟังกูอานได้คนละอย่างละอย่างละอย่า ง, างแต่ให้ตั้งใจฟังนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่2 อ, อะไรนะข้อที่หนึ่งลดสายตาให้ต่ำลงข้อที่สองตั้งใจฟังข้อที่สให้อวัยวะทุกชนิดของร่างกายนั้นหยุดนิ่งเนี่ยร่างกายมือไม้ใช่มเท้าเนี่ยนั่งสงบนี่ละนี่แหละก็เรียกว่าการม า, มารยาทของคนที่อ่านอลัลกรุรอานถึงอัลลอฮ์จะประทานเตาฟีกฮิดายะ ทางนำความเข้าใจให้กับคนที่นั่งฟังอัลกุรอานแบบสงบต้องมีสามรายนะสามรายการด้วยกันฉะนั้นกุรอานขอบคุณอัลลอที่อุลมาเอาเรื่องของนบีมูซาสั่งว่าไงนะวนักตัรตกฟัสตมอลมายูาฉันได้เลือกให้มูซาเป็นนบีฉะนั้นจงตั้งใจฟัง สิ่งที่จะถูกวา่าให้แกท่านนาบัดนี้คำนี้คำเดียวอุลมามะมาอธิบายให้พวกเราเข้าใจว่ามารยาทของคนฟังกุรอ่านนั้นตอ้องมีสามท่าด้วยกันท่าที่นึ่งอยากกระดุกกระดิกเยอะ <c oughs> นั่งเฉยๆตามองที่ต่ำๆแล้วก็หูตั้งใจฟังกุรอ่านถึงอัลลอฮ์จะชี้ทางนำให้กับคนที่มีมารยาทสามข้อแบบนี้ <c oughs> ในการพิจารณาอายะอื่นอธิบายให้เราอ่านประวัติของนบะของบรรดานาบีเยอะๆให้เรารู้ให้เรียนให้อ iz, ่านประวัติของบรรดานาบีเอาเช่นเราเอาประวัติของนบีมูซามาทบทวนกันวันนี้ใช่หรือไม่ใช่ใช่ถามว่าทบทวนประวัติของนาบีมูซานี่ได้อะไรในอายะอื่นอธิบายอย่างนี้ว่าคนละนักอุษุอาไลกัมินอัมบาอิรุสุล มนุษย์บิตูบิฮีฟูอาดัประวัติของบรรดารอซูลที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานนั้นให้พวกเราอ่านอัลลอฮ์เล่าประวัติของบรรดานาบีของบรรดารอซูลให้นาบีฟังเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้ท่านนาบีนั้นมีหัวใจที่สงบเพื่อเสริมหัวใจของท่านนาบีให้มัน่นคงอัลลอฮฺอัลกุร ตัวเรว่าคนที่ฟังประวัติของบรรดานาบีเนี่ยพี่น้องไม่เหมือนกับฟังประวัติของใครแต่ใครที่อยู่บนโลกดุนยาไปนี้ไม่เหมือนกันนะอ่าไปฟังเรื่องฮิตเลอร์อิมานเพิ่มไหมไม่เพิ่มพี่น้องแต่ฟังประวัติของนาบีเนี่ยอลัลลอฮ์จะเสริมหัวใจของเขาให้มั่นคงกับอลัลลอฮ์ให้อิมานของเขาเนี่ยมั่นคงต่ออลัลลอฮ์ให้ตาเหตของเขาเข้มแข็งขึ้น ให้อิมานของเขาเข้มแข็งขึ้นคนที่ฟังประวัติของบรรดานาบีแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไปฟังเรื่องฮิตเลอร์ไม่มีประโยชน์เลยเลยแต่รู้เอาไว้ไป ม, มีปัญหาฟังเรื่องโอบามาก็เท่านั้นแหละไม่มีปัญหาฟังเรื่องคลินตันก็เท่านั้นแหละฟังเรื่องใครจะใครก็เท่านั้นแหละแต่ฟังประวัติของบรรดานาบีอัลลอฮ์จะเสริมหัวใจของเขาให้มั่นคงขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาตาละนะครับ นี่เป็นการอะไรนะเป็นการสอนให้เราเนี่ยสนใจนะครับเรื่องประวัติของบรรดา น, นาัลลอีกอายะห์นึ่งวัสตนาตุกะลีนับซีอัลลอฮฺได้สอนได้เลือกนบลมูซาจะมีอยู่สองอายะห์ใงอัลกุกรอานฉันได้เลือกมูซาวะอานัสตอตุกะวะสตนาตุกะลีนับซี ฉันได้เลือกมูซาให้เป็นนบีเพื่อทำกิจการของฉันเห็เนไ้ตัวรางานศาสนาในงานของใครานของอัลลอ์ฉันเลือกนบีมูซาให้ทำงานของฉันให้ทำกิจการของฉันอัลลอฮ์ว่าันนคนที่ทำงานศาสนานถือว่าเกียรติสูงมากเลยคนที่ทำงานศาสนาเป็นห่วงศาสนานคนนี้มีเกียรติมากเลย จากกรุงอ่านอายะไหนสุรตัตตหานี่แหละอญญายะที่สี่สิบเอดเดี๋ยวอ่านไปจะเจ อ, เจอวัสตนาตูกาลินับซีและฉันได้เลือกมูซาเพื่อให้ทำกิจการของฉันอัลลอฮ์เหมือนกัเราสมคนไปทำงานแทนเราเนะ่ะไปเจรจาแทนเราเหมือนกับพูดกับเจ้าของตรงๆคือพูดกับอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ทำกิจการของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวะตาลา ฉะนั้นนักเรียนเนี่ยที่มานั่งเรียนศาสนาอยู่นี่นะอัลฮัมดุลิลลาะนะกำลังเรียนกิจการของใครนะของอัลลอฮ์กำลังเอาศาสนาของอัลลอ์มาศึกษามาหาความรู้แล้วก็จะนำมาไปเผยแพร่ต่อไปต่อมาอายะห์ที่14นะอินนีอนอัลลอฮอัลลอฮอัก ไอ้ข้าติ่เสียเรีนี่ยอัลลอฮ์ประกาศกับ น, นบีมูซาอินน an ่านีอัลลอฮแปลว่าอะไรนะแท้จริงฉันฉันคืออัลลอฮ์นี่บอกให้น บ, บีมูซารู้นะที่เสียงกำลังพูดอยู่ในขณะนี้นะอัลลอฮ์เล่าว่านี้มันเสียงของฉันนะและฉันนี่คือพระเจ้านะครับฉันนี่คืออัลลอฮ์น่ะนะถามว่ามูซาจะคิดยังไงขณะนั้นอนะ ดีมาดีลืมภรรยาเลยภรรยาท้องแก่อยู่ลืมเลยฉันกำลังสนทนากับอัลลอ์อยู่นี่อัลฮมุดุลิลลอินนานีอัลลอฮ์แท้จริงฉันฉันคืออัลลอ์ลอิลิลลอานาอัลล์ตรงนี้นี่อัลล์เล่าเองนะคำว่าลอิลิลลอานานี่อัลลอ์เล่าเองนะแปลว่าไงนะไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วนอกจากฉันเห็นยังครับ ฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมที่ยอมรับในพระเจ้าองค์เดียวยอมรับว่าอาลัลลอ์มีองค์เดียวนั้นเป็นอาตีด่ที่ถูกต้องที่สุดยืนยันในอัลลอ์ อ, องค์เดียวตัวตะเกียบมีแต่เราไม่ไปขอไม่สักศิษย์ฉะนั้นพระเจ้ามีองค์เดียวอลัลลอ์เป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างอาลัลลอฮ์มีสิ่งฟเท่าไรนะเกสบพระนาม ทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินทรงให้อภัยทรงลงโทษทรงโกรธอะไรเพราะอ่านอ่าไปะจะรู้อะไรเยอะมากเลยอ้าวตกลงว่าอัลลอฮประกาศว่าไงนะอินนีอานา ล, ลอแท้จริงฉันฉันคืออัลอลอะฺเลออิเลออิลาอานะไม่มีพระเจ้าใดอีกแล้วนอกจากฉันเท่านั้นนี่สอนเรื่องอะไรนะสอนเรื่องเตาหี อายาสันส้นนๆสอนกี่เรื่องอย่างน้อยสามเรื่องนะอะข้อที่หนึ่งสอนเรื่องเตาฮิซอัลลอฮ์มีองค์เดียวแล้วก็ห้ามว่าอย่าไปเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ฟาบูดานีคุณอ่านต่อไปครับและจงเคารพพักดีต่อฉันอย่าไปก้มลงกราบผู้ใดในโลกนี้นอกจากก้มลงกราบต่อฉันผู้เดียวอัลฮัมดุลิลลา เห็นอย่างครับนี่อัติษณะไม่ต้องไม่ต้องไปขอจากใครแล้วไม่ต้องไปพึ่งใครแล้วพึ่องอัลลอฮ์องเดียวนะแล้วก็สั่งอีกว่าอ <evet. S 1> ัติมิสซาลาตาลิดิกรีนี่สั่งนบีมูซานะเหมือนสั่งเราเหมือนกันเหมือนสั่งนบีมุฮัมมัดเหมือนกันสั่งว่าไงครับและจงดํารงนามาดอัลลอฮ์ว่าอัติมิสซาลาจงดํารงนามาด จงดงารงนมาตจงยืนนมาตยืนนมาตเพื่ออะไรลิดิครีเพื่อําลึกถึงฉันฉะนั้นกา ร, รําลึกถึงอัลลอฮฺที่ดีที่สุดมันต้องผ่านรูปของการนมาตนมาตมียูกี่ท่าท่ายืนสองท่าไหนท่ากรุกวัวสท่าสุยุธ สี่ท่านั่งนั่งอัตหยาใช่ไหมมีอยู่สีท่าท่านี้แหละเป็นท่าเขาเรียกว่าอินเตอร์เนชันแนลท่าสากลเลยญี่ปุ่นก็นำเอาไปใช้นะครับนำไปใช้กันหมดนะพี่น้องแต่ใช้คนละท่าละท่าละท่าแต่ของเราสี่ท่ามีหมดเลยท่ายืนมีฝรั่งเอาไปใช้ญี่ปุ่นเอาไปใช้ท่าโค้งนะครับศาสนาเอาท่ากราบไปใช้ตั้งอิสลามมีทั้งหมดเลยสามสี่ท่าด้วยกัน ท่ายืนท่าโคง้งท่ากราบแล้วก็ท่า น, านั่งเป็นธรรมโดยแล้อยู่ในอิสลามขอบคุณนลาลอนะอายะนี้สอนกี่เรื่องครับสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งสอนเรื่องเตาฮิดเนี่ยอินน an ีอานลอแท้จริงฉันฉันคืออัลลอ์สอนเรื่องเตาฮิดนะลออิเลฮ์อิเลอาไม่มีพระเจ้าอื่นใดอยู่แล้วนอกจากฉัน เรื่องที่สองสอนเรื่องรีซาละนะครับเรื่องรีซาหมาถึงศารเนี่ยที่วาฮีที่อัลลอฮ์วาฮีให้กับนบีมูซาคือรีซาละให้ฟังนะพี่น้องนี่แหละคำสั่งของอัลลอฮ์นั้นเป็นรีซาละนะครับและอีกข้อหนึ่งอาคิรอสอนเรื่องอาคิรอด้วยเดี๋ยวต่อไปจะสอนเรื่อง خر, อาคิรออายะต่อไป สรุปแล้วนะครับชีวิตของคนนั้นต้องมีสามรายการถึงจะเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์หนึ่งยอมรับพระเจ้าองเดียว่ตตะเกียบไม่ไปโตระยองไม่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่เอาตะกงตะกุดไม่เอาทิ้งหมดนะครับเรายึดอัลลอฮ์องเดียวอัลลัม์ทำโดลสังเกตนะพายาแมกของนบีมูซานขอดลูกกี่คน คลอดคนเดียวใช่ไหมหยู่โคตรตัวอินทรพลามใช่ไหมถ้าไมไม่มีหมอจาใหญ่เพราะอะไรอเห็นอย่างครับแล้วก็แล้วก็ทําไมอัลลอฮ์บอกให้จับต้นอินทรพลามแล้วขยาวแล้วก็อินทรพลามจะร่วงลงมารู้เปล่าผู้หญิงที่กําลังคลอดเนี่นะถ้าทานเม็ดอินทรพลามสดๆนั้นป้องกันเลือดไม่ให้ไหลด้วยห้ามเลือดที่ดีที่สุดท่านมุสลิมาน ควรจะนึกตรงนี้เยอะๆนะนะามเดลล่ะนางมารยามข้อลูกคนเดียวนะไม่มีหมอตำแยนะไม่มีหมอไม่มีนางระดุงครร น, นะไม่มีหมอนะมาด้เข้ า, ขาคนอยู่คนตนมาเห็นหรอยังเนี่ยอลัลลอฮ์คุ้มครองกันหนาะๆขอบคุณอลัลลอ์เราได้ค้อมูลจาอัลกรุรอานเต็ไมไปหมดนะฉะนั้นอินทรพลัมอาหารประจำบ้านหนึ่งอินทพลัสองน้าผึ้งสามนมอลัลลอฮอักบะ อะไรนะน้ำผึ้งอินทรพล้ำนมแพะต้องนมแพะนะ้วนะนมอื่นไม่เอานมแพะดีที่สุดนะครับต่อมาครับคำว่าอากิมิสโซล่าตาลิสิกรีเนี่ยคุณอ่านอยู่ข้างหน้าท่านนี่แหละแปลว่าจงยืนนมาเพื่อํำลึกถึงฉันคำนี้เป็นคำเตือนนะการนำมาทุกทุกท่านี่ เป็นการติดต่อกับอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่สมัยนบีมูซามาแล้วนมาดนมาดนมาดนมาดนมาดนบีอีซาก็ถูกสั่งให้นมาดนมาดนมาดนมาดนบีมุฮัมมัดก็ถูกสั่งให้นมาดแล้วพวกเราวันนี้ก็ถูกสั่งให้นมาดเหมือนกันฉะนั้นนมาดนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดท่านอิหม่ามอัล์มัดได้อธิบายอย่างนี้ท่านอานัสรดิยัลลอฮุอัลลอฮุอันรัสูลุลลอฮ์สุลลัยฮ์วะสัลลัมกล่าว อีดารอกราอาฮดูกุมอานุศลเมื่อคนหนึ่งคนใดเนี่ยคือนอนไปแล้วก็ตื่นมาเว ล, เวลาน้มาศนี่ยมันเลยไปแล้วให้ทำไงครับฟ่นยู่ซอนลีฮะอีดารอกราฮเมื่อตื่นขึ้นมาเมือ่อเมื่อนึกได้ให้นามาตทันทีเช่นอยู่บ้านคนเดียวพระยาไม่อยู่ลูกไม่อยู่แล้วนอนอยู่คนเดียวอะ ตื่นเจ็ดโมงเชา้าไม่จะยินอาจารเลยที่บ้านเนี่ยทำไงตื่นมาเนี่ยให้นมาซูบโบเลยไปแปรงฟันอาบน้นํานมาศนมาซุนัดสองเราก็อัดก่อนนมาซูบโบแล้วก็นมาซูบโบ อ, อีกสองเราก็อัดไม่ต้องไปเนียดโกอโดอกโดโกอดอไม่เนียดเนียดว่านมาศในเวลานั่นแหละพอแล้วตื่นนอนเจ็ดโมงก็นมาศเจ็ดโมงนี่อั บ, บีสัง่งนมาศขาดไม่ได้ โอ้ oh, ชีวิตของคนท้านมาศไม่ขาดเลยเนี่ยชีวิตของเขาจะมีบรารกัดขนาดไหนล่ะเราไม่รู้นะยิ่งนมาศตรงกับคืนไล่ล่าตุลก้อนเดรีอ๋อลลแค่กล่าวคําเดียวสุบาานลอลผลละบุญเท่าไหร่นะหนึ่งันเดือนนะ่ะคิดดูสิผลบุญทำความดีหนึ่งคืนตรงนั้นนะ่ะแค่ก ล, ล่าวสุภาานลอแล้วทดุลินแล้วเนี่ยมันจะดีเด่นขนาดไหนแค่นั้นอย่าลืมนมาศขาดไม่ได้นะ เอาอีกฮะดิษหนึ่งของอิม่าบุคารีมุสลิมท่านอนานัสในรายงานบอกว่ามันน่ามาอันสซลตดินใครที่นอนหลับในเวลานามาดเอาหนาซียหาฮหรือว่าลืมไปทำงานอื่นลืมกระทั่งลืมนามาดฟกฟาระตุฮะอายุซอ ล, ลีฮาอิาจาสคาระฮวิธีที่ชดใช้ก็คือให้นามาดเลยเมื่อเขานึกได้วิธีลดวิธีปรับ วิธีกัฟฟาระวิธีที่ใช้นี่ก็คือนึกได้ให้นามาตเลยนะครับคนมันลืมมีใช่ไหมนะอย่างแม่บ้านอยู่ในบ้านลูกหลานหลายคนงานบ้านก็เยอะอบรมลูกดูลูกลืมนามาตมานึกได้อลัยสายไปแล้วนามาตเลยนะครับละกัฟฟารตุลลฮะอิลลาดาริคไม่มีอะไรมาทดแทนได้นอกจากนามาตก็ต้องแทนด้วยนามาตอย่างอื่นไม่มี นะครับเอาถามต่อไปอีกวิญญาณของนมาศอยู่ที่ไหนวิญญาณของนมาศนะ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่คูชัวอันห้ำอยู่ใละห็นไหมวิญญาณของนมาศคือคูชัวฉะนั้นบางคนเนี่ยพยายามเลือกมัสยิดที่นมาแล้วมันคูชัวนะ่ะบางทีก็ต้องเดินเป็นสามสี่สุราหนะ์น่ะยาย ผ่านสุรานี่น้ำมันไม่คูชัวยอสุรได้ไม่คูช่วไอ้นี่ือไม่คูชัวไอ้นี่ไม่คูช่วไปหามัสยิดที่เขาน้ำมานแล้วมันคูช่วเพื่ออะไรครับเพื่อไปเอาวิญญาณของน้ำมันฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์นะ سبحان ห, หวบตอาละนะครับที่อัลลอฮ์ได้ประทานการน้ำมานมานั่นเป็นการติดต่อกับอัลลอฮ์เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดไม่มีอะไรดีมากกว่า น, นี้แล้วนะครับ แค่นามาตนะตกลงว่าวิญญาณของนมาตนั้นอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่การคูชูวคูชั ว, ชวอธิบายยังไงเวลายืนเนี่ยตามองที่สุูญเวลารู้กั้วตามองที่ปลายเท้าเวลานั่งอัตไหยาตามองที่นิ้วชีเนี่ยใจคูชัวหมดเลยบางคนถามบอกว่ า, วาปิดไฟนมาตหรือเปิดไฟนมาตไหนจะดีกว่ากัน อ้าตอบยังไงเปิดไฟน้ำมัเพราะน้าเบี้ยวให้มองที่ให้มองที่สุดยูดถ้าปิดไฟมองเห็นไหมไม่เห็นแคนั้นเปิดไฟดีที่สุดมันต้องสู้อ่ะมันต้องสู้แต่บางคนว่าเปิดเปิดในอน้อยอย่าเปิดเยอะอ่าก็ทำดุลินละตกลงว่าการยืนน้ำมันด้วยหัวใจที่นอบน้อมสายตาต้องช่วยด้วย อ, อยวัยวะส่วนอื่นก็ต้องช่วยด้วยอย่า ก, กระดุกกระดิกลองยุงกัดนี่ต้องตบ พับแรงมันโคช่วยตรงไหนบางคนทำย่างงี้ย่างงี้ก็ได้อนี่ก็แค่เก้ายุงกันนะเก้าแปดทีอุลมา ก, ก็แนะนำให้เก้าทีเดียวพราะอย่าเกินสามนี่ทัศนะตพวกผูกกรฮะทั้งหมดนะะนแนะนำเอาไว้อัลฮัมดลิละตัวลงนมามต้องอะไรนะหัวใจของนามาดอยู่ที่ คูชูว่าในภาษาอรุร du ว่าอิลาฮีโกดิลเมตาซารักนาทาให้หัวใจมันสดชื่นต้องผ่านการน้ำมาตาซาดิลดินนี่มันสดชื่นถ้าผ่านน้ำมาดนะครับเอาต่อมาอายาทีสิบหาอินนัสซาตัดียตุนอาเกดุอัฟฟีฮา ลิต im ุดُะคุลน afs ิ ب บ م َ ا تسعى อ س َّ ا ع َ ة อ آ ت ี ي َ ة ٌ أ ك ا د ُ أ خ ف ي ه ا ลิตุดُะคุลน afs ิมِ م َา تسعىالحمد لله الله دي มาคับอ้ายานี่พูดถึงเรื่องวันอวสานวันตียมะจะมาเมื่อไร อินนาซาซาเดิมไปวันนาฬิกาแต่ตรงนี้แปลว่าวันสิ้นโลกแท้จริงวันสิ้นโลกวันหมดอายุของโลกใบนี้อาทิตยตุนกําลังมามาแล้วจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัยนี่เอาล้อเล่าเองฉะนั้นวันสิ้นโลกวันหมดอายุใบนี้หมดไม้ยหมดตอนนี้ใกล้ามายังใกล้แล้ว เครื่องหมายว่าโลกใบนี้กล้าจะหมดอายุอัลลอฮฺเห็นเยอะนะเช่นอะไรบ้างลูกจะดือด้อๆกับพ่อแม่ตัวเองก่อกที่หนึ่งนะแล้วก็คนจะชอบเลี้ยงหมามากกว่าชอบเลี้ยงเลี้ยงลูกผู้หญิงไม่ชอบเลี้ยงลูกก็เลี้ยงหมาก้กว่ า, น, าะนะสเกตนะอัลลอเห็นเยอะนะแล้วก็ของฮารอม ของมืนเมาเนี่ยอย่างเหล้าเบียรของฮารอมเนี่ยโอ้โหจะจะเต็มไปหมดแล้วก็เรื่องดีนาก็เหมือนกันเรื่องดีนาอย่างบนรถไฟมาอาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมทําดีนาบนรถไฟทําแล้วไม่พอโยนก็ทิ้งอีกเนี่ยมันมาง่ายขนาดนี้มีต้นทางอีกดูทางนันเองทำทำทำดีนากันทําดีนาบนรถไฟไม่พอทาดีนาที่ป้ายรถเมล ต่อต่อไปจะเห็นเต็มไปหมดแล้วบางทีทําดีนาบนรถเมลเลยจะเห็นนะแล้วก็นบีก็สอนว่าคนที่เดินผ่านเห็นก็ทําดีนากันเฮ้ยเ้มึงขยับไปตรงนู่นมาป่ะท่านมาตรงนี้แหละกูจะยืนรอรถเมลเนี่ยต่อต่อไปจะมีดีนามากถึงขนาดนะั้นนี่เป็นเครื่องหมายวันเตียมะคือคนจะห่างศาสนา ถ้าห่างศาสนานี่มันก็ทำได้ทุกอย่างนั่นแหละฆ่ากันก็ง่ายด่ากันก็ง่ายทำลายคนก็ง่ายเหมือนกันง่ายหมดถ้าไม่เอาศาสนานะคถ้าคิดถึงตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่นั่นก็คือความเหยีนะก็จะตามมาเต็มไปหมดเลยก็ต้องรอดูกันต่อไปใครคนมีศาสนาดีที่สุดนะครับอันอินนัสอาติาแท้จริงยามอวาสานอวันหมดอายุ นะครับของโลกใบนี้กำลังมาแ ล, าแล้วก็ใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วต่อมาครับอากาดูอุฟีฮาอากาดูอุฟีฮาแปลว่าแต่ฉันหมายถึงอัลลอ์เนี่ยปรารถนาที่จะไม่เปิดเผยให้ใครรู้เคาเรียกว่าเงื่อนงำเอาไว้อัลลอฮ์ไม่แจ้งให้ใครรู้ว่าเมื่อไรจะถึงวันสิ้นโลก แต่มีไหมมีมาไหมมาแน่ไหมแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่วันที่เท่าไรวันไหนอรรรษไม่บอกแต่มาแน่แน่เวลาวันวันวันเกียรติมาเนี่ยก็มาวันศุกร์นะสังเกตนะนบีสอนจะมาวันศุกร์กำลังพับผ้ากันอยู่เนี่ยกําลังทอนสตังไม่ท่านเอาผ้าใส่ใส่ถุงเกียรติมามาเลยครับเอาข้าใส่ปากไม่ท่านใส่ปากมาเลย มาไว้มากครับหลักพวกเราคงคงไม่เจอคงตายก่อนนะั้นจะไปไม่ไรแคนั้นเราต้องนำมาตรไม่ขาดอ่านกุรอานสม่ําเสมอดิกรุลลอซสม่ําเสมอทั้งหมดนี้เป็นงานของอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์ไม่แจ้งให้ใครรู้แม้แต่มลายิกาที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่แจ้งให้มลายิการู้อัลฮัมดุลิลลาฮ์นี่ได้ก็ได้ความรู้จากอาญานี้นะ หนึ่งวันเกียรมามาแน่กล้ไหมกยกล้แล้วอัลล์เล่าสัญญาณวันเกียรมาให้ฟังเต็มไปหมดนะครับสงครามกันจะฆ่ากันอะไรกันรู้เปล่าเนี่ยปาเลสไตน์ถูกฆ่าถูกระเบิดทุกวันเลยทอนนี้แล้วก็มีข่าวดีอย่างหนึ่งที่เยอรมันรับอิสลามทีละแปด00คนกล่าวกัิมากฟ้องกันเลยละอิลาฮะอิลลอล อัลชดุลลอฮ์อิลลฮ์อิลลัลลอฮ์มุสลิมที่ปาเลสไตน์ถูกยัฮูดีเล่นงานตายเด็กๆตายเยอะแต่อีกประเทศหนึ่งไปโพอัลฮะดุลลอฮ์อิลลฮ์อิลลัลลอฮ์น่าคิดมากเลยมนุษย์วางแผนอัลลอฮ์ก็วางแผนเหมือนกันแต่แผนข อ, องอัลลอฮ์นั้นเหนือชั้นกว่าค่อยๆดูกันต่อไปนะครับ อินนัสอาตะอัติยาตุนวันเกียยมามาไหมมาแน่ๆครับไม่มีข้อสงสัยอากาดูอุฟิฮาแต่ฉันปรารถนาที่จะเก็บไว้เป็นความลับไม่ประกาศให้ใครรู้เพื่ออะไรครับลิตุจจากุลุนับสิมบิมาตสซาลิตุจจาเพื่อทุกทุกชีวิตจะได้ ถูกตอบแทนตามที่เขาได้พยายามตามที่เขาได้ขวนขวายตามที่เขาได้ขยันมันเพียรทำงานอัลลอต้ตองการจะอธิบายอย่างนี้อาญานี้ที่ไม่บอกวันเกียรมะที่ไม่บอกวันตายของเราเนะ่มีสองเรื่องนะไม่บอกว่าเองจะตายเมื่อไรไม่บอกวันตายไม่บอกวันเกียรมะให้รู้เรื่องหนะ้า เพื่อให้คนเหล่านั้นได้ขยันทําความดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณอยู่ตรงนี้เอกมายมาอยู่ตรงนี้เพื่อมนุษย์จะได้ขยันทํางานจะได้ยังก็นามานมาเนี่ยอย่างคนที่นมานมาจะอายุสิบห้าวันนี้อายุหกสิบนมานมากี่ปีแล้วอย่าอกก็สี่สิบห้าปีห้าสิบปีห้ามคุยนะฉันนี่เจ๋อฉันหนึ่งเลย ในหมู่บ้านในซอยเนี่ยฉันแจลวที่สุดห้ามคุยอัลลอฮฺจะรับอามั่นที่คุณทําหรือเปล่าต้องกลัวอย่าอัลลอฮฺตะกะบัลมินนะ ด, ด, ดอกอานนว่าสวดละนะว่าอามาลนะโอ้อัลลอฮฺโปรดรับอามั่นนำหมายของฉันด้วยใจต้องนึกอามันถือบวตของฉันด้วยเพราะถือมาตั้งสี่สิบปีแล้วอัลลอฮฺรับหรือเปล่าเพรออาะอัลลอฮฺสั่งนะครับ กลัวของที่ผ่านมาว่าอัลลอจะไม่รับกลัวการเตบาบ้าของเราที่ผ่านมากลัว Serbia, ว่าอลอจะไม่รับแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่จนกว่าจะตายเนี่ยประคองตัวเองอย่าทำบาปนี่ไงที่ผ่านมาก็กลัวข้า้งหน้าต่อไปก็กลัวอีกข้างหลังที่ผ่านมากลัวว่าอัลลอจะไม่รับความดีที่ทำาข้างหน้าที่เหลือต่อไ ป, ลไอไปกลัวว่าอัลลอจะ เ, เราในอัลลอฮฺมันไสเราหรือเปล่านะต้องประคองตัวของเราให้ดีให้เป็นบ่าวของอัลลอฮฺที่น่ารักนะครับตกลงว่าชีวิตที่ผ่านมากับชีวิตที่เหลือนั่นตะกับบทเย่อหยิ่งไม่ได้นะต้องสํารวมตนต่ออัลลอฮฺตลอดเวลาอัลลอฮฺอายานี้มีสามประเด็นนะวันกิยามามาไหมมาแน่ๆอันที่สองอัลลอฮฺไม่แจ้งให้รู้ข้อที่สามที่แจ้งไม่ให้รู้หรือไม่บอกให้รู้ เพื่อให้เราได้ขยันทำความดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ฮห้มากจากอัลกุรอานอายานีสามประเด็นด้วยกันอัลฮัมดุลิลลาะเบนอมแล้วอีกอย่างหนึ่งโลกดุนยาเนี่ยเขาเรียกว่าดารุลอามัลโลกแห่งการทำงานรางวัลอัลลอ์ให้เล็กๆในน้อยอายกตัวอย่างถือสินอด ถือสินอดเนี่ยอัลลอฮ์ให้รางวัลบุญดวงยาไขมันลดเบาหวานลดแล้วก็น้ำหนักลดซิเลนเดอร์บ้างเล็กๆน้อยๆตัวเบว้คอุขมขวาวก็ไม่ไปปี๊วเท่าไรวันหลังสุกขทัยรู้กูว่ดีค่อนนี่ดุงยาที่อัลลอฮ์ให้นะแต่เล็กน้อยแต่ในวันอาคิร์เนี่ยอัลลอฮ์จะอะไรนะ ให้อย่างสมบูรณ์ครบบริบูรณ์ในโลกเตียยโลกโลกหนาใช่ไั้แค่ท่านด่าโลกดุนยานี้ก็จะวันโลกแห่งการทํางานไม่ใช่โลกแห่งการรับรางวัลรับรางวัลเล็กๆในน้อยแต่ยังไม่ครบบริบูรณ์อลัลลอฮฺจะตอบแทนครบบริบูรณ์ตอนไหนตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาวันนั้นแหละจะให้อย่างครบบริบูรณ์ตีโตุจจาคุลูนัลเซมบีมาตาซา จะให้แบบครบบริบูรณ์อันทีนี้ในอายะอื่นอธิบายอย่างนี้นะครับอัลลอฮ์ไม่เล่าเรื่องความลับมีอยู่ห้าความลับที่อัลลอฮ์ไม่เล่าให้มนุษย์รู้นบีก็ไม่รู้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์หมายถึงอาไรกันไม่บอกให้รู้เลยมีอยู่ห้าเรื่องเรื่องอะไรบ้างหนึ่งวันกิยามะจะเกิดขึ้นมา่อใดข้อที่สองฝน จะตกเท่าใดอันนี้นเรื่ององคอากาศทั้งหมดเ น, นี่แค่ดาๆนะพยากรณ์อากาศเนี่ยมาถึงดานะถูกบ้างไม่ถูกบ้างอันที่สามเด็กที่อยู่ในคันมารดาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพอดาๆออกเท่า น, นั้นเองผิวสีอะไร จะคลอดก่อนกาหนดหรือไม่หลังกาหนดไม่รู้ฉะนั้นเรื่องมดลูกเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเนะนี่ยราเล่าเลยนะข้อที่สี่เราไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้หมายถึงปีหน้าเดือนหน้าไม่รู้ข้อสี่แล้วนะข้อที่ห้าไม่มีใครรู้ว่าเขาจะตายในแผ่นดินไหนห้ารายการเป็นความลับสุดยอดที่อรรถไม่เผยให้ใครรู้ แต่อายาที่สิหเนี่ยเล่าอย่างเดียวว่าคุณตายเมื่อไร่ฉันไม่บอกวันเกียร์มามาเมื่อไร่ฉันไม่บอกฉันเก็บเป็นความลับเอาไว้อลลารู้เพียงองค์เดียวเหมือนกันน่ะเราอ่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมว่ามาต า, ตาสารสิ่งที่อยู่ใต้ดินลงไปอัลลอฮฺไม่ให้รู้ให้รู้แค่หกไม้เท่านั้นเองหลังจากหกไม้นะ่ะอัลลอฮฺไม่ให้รู้ว่ามีอะไรบ้าง ขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะเอาต่อมาครับอายะที่สิบหกนะครับ فلا يصدنك عنها ملا يؤمن بها وتابعها وفطرها الله أكبر فلا يصدنك عنها มัลลาย ah ah ุมินะูบิฮะวะตับะอาหาฟัตดะนี่อัลลอฮ์สั่งนบีมูฮามมัดะเราประสอนคนอ่านคุรอ่านด้วยสั่งนบีมูฮัมหมัดด้วยสั่งเหมือนกันเลยนะสั่งว่าไงนะจงอย่าให้ผู้ที่ไม่ศรัทธาเราอยู่บนโลกดุนยาไปนี้เราครบกับผู้ไม่ศรัทธาใช่ไหมเราครบกับคนที่ไม่เอาศาสนามีไหมมีอัลลอฮ์สั่งนะ อย่าให้จงอย่าให้ผู้ที่ไม่ศรัทธาในวันสิ้นโลกยับยั้งหรือหันห่างท่านอย่าเอาคนที่ไม่ใช่มุมินเป็นเหตุทำให้ท่านนั้นไม่นึกถึงโลกอาคีรอบางทีเราคุยกับเขามากมากมากมา ก, มากคนกาเฟไม่เอาศาสนาไม่เอาโลกอาคิรอมีไม้ยมีเราอยู่กับเขาแล้ว ฟังเขาทุก ว, วันทุ ว, วันเพียนเดินตามเขาไปด้วยคิดเหมือนเขามีไหมมีก็เด็กมุสลิมที่มาเสียเสียเพะอะไรเพราะอยู่ในกลุ่มคนแนวศา ส, สนาดางนี้อัลลอฮ์จัดมาอยู่ที่ศาสนาประธรมนีนน่มาอยู่ในกลุ่มคนเอาศาสนาแต่มีนักเรียนบางคนไม่เชื่อวันกิยมามมีนีนน่มีนักเรียนบางคนไม่เชื่อวันสิ้นโลกมีครับไม่ใช่ไม่มีแสดงว่าที่บ้านเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องอัลลอฮ์ราซุ่ ไม่เดคุยเรื่อ ง, งวิญาณบกิยามาเพราะอาจารย์ทวีเล่าบุญกุลฟังว่านักเรียนบางคนนี่นะครับไม่บวชไม่ถือซสินอดทั้งว่าจะไม่ไม่ถือวันเกียร์มามีหรือเปล่าอาจารย์เห็นไหมนี่เด็กมุสลิมนะบ้านมุสลิมมาเรียนหนังสือที่ศาส น, นาอุปถมไม่บวชมีไหมมีเพราะอะไรครับไม่เชื่อว่าวันเกียร์มามีจริงนี่เด็กพวกเราจะเป็นเด็กไปกลับหรือเปล่าไม่ทรา มีเด็กมุสลิมบางคนไม่เชื่อโลกอาคิริลมีแล้วเห็นได้ยังครับนี่คอยหมายงนะตามมาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องอเรื่องอาคีดะเรื่องเชื่อวันสิ้นโลกเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะถ้าไม่เชื่อโลกอาคริลนะก็จบาถามว่าบวชบวชเพราไมอ่ะบวชแช่ลดน้าหนักก็โอเคก็ได้แค่นั้นแหละแต่ผลและบุญจริงๆนะอีมานันวัดดิซาบันให้อิมานเพิ่ม แล้วก็หวังรางวัลตอบแทนตลอดนี่ขนาดบ้านมุสลิมนะไม่รู้ว่าพระอาจจะไม่จะสอนลูกก็ได้หรือบางทีพ่อแม่ทะเลาะกันเองถ้าหากวันชาติน้ามีจริงพูดอย่างนี้เข้าหูลูกทุกวันทุกวันลูกก็เลยสงสัยว่ามีหรือไม่มีวันวันอะไนวันกิยามะนั้มีจริงหรือเปล่าอาจารย์แล้วก็นี่ไม่รู้นะไม่รู้อีกกี่โรงเรียนนะที่เด็กมุสลิมไม่เชื่อวันวันกิยามะมีจริง ท่านเรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะทำให้เราไม่มีโอกาสได้พบกับอัลลอฮ์ในวันเตียมานะครับอัลลอฮ์สั่งนะสั่งกานบีมูซาสั่งพวกเราว่าอย่าเอาคนที่ไม่ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนั้นเป็นเหตุทําให้ท่านหันห่างนึกถึงโลกอาคีราออย่าทํานะครับอย่าคบคนประเภทนั้นแลจะทําให้ท่านหลงออกจากทางของอัลลอฮ์และเป็นไงครับ วัตบาวาคนที่ไม่เชื่อโลกอาคริลก็คือคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาเห็นยังอารมณ์มันพิสูจน์ไม่ได้อวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าวันเกียร์มามีจริงหรือเปล่าพิสูจน์ไม่ได้ถ้าพิสูจน์ได้นํากันามาศรัทานั่นหมดแล้วแต่นี่ไงอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อวันอาคริลให้เราเชื่อไว้ก่อนนะครับอลัลฮัมดุลิลัย แต่ท่านคนที่มาเชื่อโลกอาคือเราว่ามีจริงก็คือคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ปฏิบัติตามอารมณ์เป็นไงรู้หมน้ำมานก็ไม่เอาบวชก็ไม่เอาไม่เอาทําไมอ่ะถือบวชได้อะไรแดดลดน้ําหนักอย่างเดียวกินยา ก, ก็ได้กินยาลดน้ําหนักกับลดเหมือนกันใช่ไหมนี่เ ป, นเป็นข้อมูลทั้งหมดจะ ต, ต้องใ ช, ช, ช้เอาใช้ใช้ปัญญาวัตถะบาวว่า คนที่ไม่เชื่อโลกอาคเรยารสเขาปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาแล้วเป็นไงครับฟาตารดาเขาจะพินาศอย่างแน่นอนครับเขาจะพินาศนะฟาตารดาเขาพินาศครับแน่นอนหายนะครับจะ ร, บรับความหายนะอย่างแน่นอนครับในอายะอื่นอธิบายอย่างนี้ ว่มาโยกนีอันหูมาลูหูอิจะตลอดดาในครูอ่านเล่มเล็กใช่ไหมทเทวีอ่านประจําใช่ไหมว่มาโยกนีอันหูมาลูหูอิจะตลอดดาต้องการจะบอกว่าทรัพย์สมบัติที่คุณสะสมเอาไวเ้เยอะๆเป็นพั น, น, นๆล้านแสนล้านน่ะเวลาคุณได้รับความพินาศในโลกอาคเทวีเงินช่วยคุณไม่ได้ตําแหน่ง ช่วยไม่ได้พวกอีกเป็นหมื่นหมืแสนแสนคนอย่างฟาโร่เนี่ยฟาโร่คนเดียวมีคนชายบริการฟาโร่สามหมื่นห้คนช่วยฟาโร่ไม่ได้ตอนจมน้าตายช่วยได้ไหมทางเงินทางกตาํตาตําแหน่งเต็มไปหมดนะ่ะทางทหารทหาร 35,000 คนดูแลฟาโร่คนเดียวไม่สามารถที่ให้ฟาโร่ไม่ให้จมน้าได้ช่วยไม่ได้นี่ไงคุณอ่านสอน ระทานของที่จะช่วยได้คืออามัน่นจิซ้อนแรกของเราที่ช่วยเราได้นะครับและอีมานกับอามัน่นจิซ้อนแรกสองรายการนี้ช่วยเราไม่ให้พบกับความหายนะได้นะครับต่อมาอายาสุดท้ายสิบเจกว่มาติลกาบิยามินีกายามูซวาว่มาติลกาบิยามินีกายามูซา และอะไรเล่าที่อยู่ในมือขวาของท่านโอ้มมซาเฮยเอลัลลอ์บอกกับมูซาสำรวจดูซิในตัวของคุณมีอะไรบ้างที่มือขวาของคุณมีอะไรบ้างต้องการจะบอกว่าทุกคนมีของดีดูกันทั้งหมดนั่นแหละแต่เราอ่ะบางทีคนไม่พบแต่ละคนแต่ละคนมีของดีครับสำหรับนบมีมูซาอาลัลลอฮ์ให้อย่างที่มือขวามีไม้ตะพด มีไม้ถือนั่นละละเป็นมวจยจีดัดชนิดหนึ่งก้ออานอายะที่18อธิบายไงนะไม้เท้าอันนี้เวลาโยนกลายเป็นงูเวลาถือเนี่ยเอาว้ยันได้แล้วก็เอาไปตีอะไรนะตีพุ่มไม้สำหรับเป็นอาหารเลี้ยงแกะได้นะครับตัวงก็ประโยชน์หมดนะตัวเราเองที่เอาล่อให้มานก็มีค่าสูงมากแต่บางทีเราค้นไม่พบ บางทีเราเนี่ยเป็นคนที่อักลากดีอย่างคุณเฉลิมเนี่ยผมชอบอย่างชอบเยี่ยมคนป่วยนี่เพราะถ้ <c oughs> วาใครป่วยไปไปเยี่ยมดีไหมดีครับเราก็ต้องค้นพบว่าในตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นดีที่เอาลอ้อพึงพอใจมันมีอยู่ในตัวเราแต่เราบางทีคนไม่พบเอาละครับวันนี้คุยกันแค่นี้นะครับพี่น้องสรุปชีวิต ของเราเนี่ยต้องผูกพันกับหนึงอะกีดะที่ถูกต้องว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวข้อที่สองอะไรนะรีซาและศารที่มาจากอัลลอฮ์คือกุรอ่านนั่นพี่น้องต้องศึกษาพ่อกุรุอ่านนั้นเป็นทางนำคุรุอ่านนั้นเป็นข้อเตือนใจให้เรานึกถึงโลกอาคีรอและข้อที่สมพี่น้องนามาศขาดไม่ได้ทุกสมัยทุกนบีที่อัลลอฮ์ส่งมาในโลกนี้ทุกคนนามาดหมด นำมาเพื่อใครครับลีซิครีเพื่อการดาลึกถึงอัลลอฮฺนำมาดูฮะได้ไหมได้นำมาตะฮัจยุธได้ไหมได้พีน่น้องนี่เวลาจะรับของดีๆมาเนี่ยกลังนั่งนั่งอยู่เขาจะสุยุดเลยนะสุยุดสขดุดชุก๊เลยกลังนั่งนั่งอยู่นี่นะนนนมีข่าวดีมาอ๋อลูกเราหรือพายาเราหรือหลานเรา หรวมัสยิดเราหรือโรงเรียนเรามีอะไรดีๆที่อัลล์ให้นะสุยดเลยมาอยู่โรงพยาบาลขาม้อหา้อหาแล้วเราทำไปแล้วสุยดเลยขอบคุณอัลลอ์ุานะัลลอฮ์ฉะนั้นท่านามาเป็นท่าที่ดีที่สุดนะครับุลอัลลบญามดิกะาะลลอฮฺอื่นละอืะอืลลลอละอลลลอะะอละะลอะละะะลลอะะะ